เคลื่อนย้ายสรีละท่านไปที่เมนทั้งหมดนี้ใช้เวลาไม่เกินสิบห้าวันหลวงพ่อท่านได้กำหนดนะแล้วก็ออกแบบนะพิธีกรรมสำหรับการปร่งสรีระของท่านไว้อย่างชัดเจนซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์กับลูกศิษย์ลูกหาทั้งสิ้น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 อนอกจากระบุชัดเจนแล้วนะท่านก็ยังระบุให้การทำเกี่ยวกับศีลลักษณ์ของท่านเนี่ยเป็นไปแบบเรียบง่ายไม่มีพิธีรีตองมากอย่างเช่นมีแค่เฉพา ะ, ะพิธีกรรมตอนเย็นและพิธีกรรมตอนเย็นก็มีแค่สวดมนต์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 ความหมายเนี่ยนะซึ่งเป็นเรื่องระดับปารามัิมากเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งแค่ไหนอันนั้นก็ยังไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยก็รู้ว่าคำบาลีที่พระสวด น, นั้นคืออะไรอันนี้ก็สำหรับวันที่เรียกว่าใช้ประกอบอาการาทำบุญ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 แสดงความเคารพหลวงพ่ อ, อย่างแท้จริงอย่าไปเน้นเรื่องศาสน า, าพิธีให้มาเน้นที่ศาสนธรรมไม่ใช่กับใครนะกับตัวเองนะอย่างไรก็ตามนะศิษยานุศิก็อยากจะทำอะไรเพื่อหลวงพ่อหลายท่านก็อยากจะพิมพ์หนังสือหลายท่านก็ขอพิมพ์ภาพของหลวงพ่อนะ